สวัสดีนะคะพี่น้องในภระคริ์ทุกท่านนะคะก็วันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าที่อากาศข้างนอกข้างนอกไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแล้วก็อากาศในพระวิหารก็เย็นสบายนะคะเราได้พบกันอีกครั้งในการนมันสการพระเจ้าภาคบ่ายนะคะขอให้พี่น้องทุกคนทักทายซึ่งกันและกันนะคะและหลังจากนั้นเราจะอธิษฐานร่วมกันค่ะอันซ้ายขวาทักทายกันด้วยความชื่นชมยินดี ขออธิษฐานร่วมกันนะคะสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเราขอสรรเสริญพระองค์ต่อทุกแผนการที่พระองค์กาหนดให้กับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ผู้ทรงพระชนชีพได้ทรงเรียกและทรงเลือกพวกเราให้มีชีวิตที่กลับคืนเข้าสู่การติดสนิทเป็นแะแนนของพระองค์เราขอนามาสการและขอมอบถวายตัวของเราอีกครั้งเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ข้าพองสถิตท่ามกลางพวกเรามอบปัญญาให้เราที่จะได้เข้าใจพระวจนะของพระองค์เตรียมจิตใจของข้าพองทั้งหลายที่จะรับฟังและเข้าใจพระวจนะของพระองค์ให้เราเข้าใจน้ําพระทัยในการที่เราจะมีชีวิตในฝ่ายพระวิญญาณขอการปกป้องที่มาจากพระองค์ให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้พ้นจากอํานาจของผีร้ายวิญญาณชั่วที่จะมาช่วงชิงพระวจนะของพระเจ้าไปจากใจของข้าพองทั้งหลายทูลขอการทรงนําที่มาจากพระองค์ ให้พระวจนะของพระองค์ทํางานในจิตใจของพี่น้องในพระคริสต์ตามแต่น้ําพระทัยของพระองค์มอบเวลานี้ให้กับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนหัวข้อวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องชีวิตฝ่ายพระวิญญาณหรือชีวิตฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะดิฉันเชื่อว่าคริสเตียนส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์กับการฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็การเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์นะคะ และแน่นอนประสบการณ์ทั้งหมดนั้นต้องเกิดจากการที่เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าจะว่าด้วยการพูดคุยหรือการอธิษฐานกับพระองค์นะคะความสัมพันธ์ผ่านการอ่านพระคัมภีร์การสามัคคีธรรมและเป็นพยานระหว่างพี่น้องผู้เชื่อหรือว่าการเล่เลาเรื่องราวประสบการณ์ให้กับผู้ที่ไม่รู้จักพระองค์นะคะแม้กระทั่งการเขียนบันทึกถึงพระองค์ ที่เราจะบันทึกการความช่วยเหลือที่มาจากพระ อ, องค์ความรักที่เราได้รับจากพระ อ, องค์นะคะหรือแม้กระทั่งความสงสัยในเมื่อพระ อ, องค์ไม่ตอบคำถามเรานะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์คือภาคหนึ่งนะคะเพราะว่าพระเจ้าของเราประกอบด้วยลักษณะของความเป็นบุคคลสบุคคลที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะ พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี้ยสามารถตรัสกับจิตวิญญาณของเราว่าเราควรจะตัดสินใจอย่างไรและเลือกทำอะไรในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าพระองค์ตรัสกับแต่ละคนอย่างไรหรือด้วยวิธีไหนแต่เมื่อเราคุ้นชินกับพระสุรเสียงของพระองค์ด้วยตัวเราเราจะตรักรู้ในหัวใจของเราว่านั่นคือวิธีการที่พระองค์สื่อสารกับเรานะคะ บางคนอาจจะสื่อสารด้วยเสียงบางคนอาจจะสื่อสารผ่านเพื่อนบางคนบางคนอาจจะสื่อสารผ่านพระคัมภีร์นะคะที่ที่เราได้รับการสื่อสารจากพระองค์หรือว่าผ่านมาทางสิ่งต่างๆที่เราจะคุ้นว่านี่แหละเป็นการสื่อสารที่พระองค์ใช้กับเราคริสเตียนแต่ละคนได้ได้รับการสื่อสารจากพระองค์แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์ไม่ได้ให้ คำแนะนำที่เจาะจงสำหรับจัดการกับทุกสถานการณ์ที่พี่น้องพบนะคะแต่พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สําดงพระองค์ในการทรงนำหลักการทั่วไปในพระคัมภีร์นั้นแล้วก็พรงทรงตรีความหลักการเหล่านั้นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณละตัดหรือพูดบอกกับจิตใจของเรานะคะการฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระ อ, องค์เป็นการที่ชีวิตของเราประกอบด้วยพระวิญญาณและการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณนะคะเช่นจะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องที่ต้องเรื่องอะไรที่ที่พระวิญญาณโดยสุดมาเกี่ยวข้องนะคะง่ายๆก็เรื่องอย่างเช่นการพริ จ, พร จ, จารณาในการดื่มแอลกอฮอล์นะคะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเราดื่มวายไม่ได้นะคะแต่พระคัมภีร์บอกเราว่า ต้องไม่ดื่มจนเมานะคะข้อความนี้อยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่23ข้อ21่เอเฟซัสบทที่5ข้อ18แล้วก็เปรโต้นะคะบทที่4ี่ข้อสนะคะแต่เราเคยคิดไหมคะว่าแล้วเราจะดื่มวายกีแก้วจะ1แก้วสแก้วหรือจะ5แก้วหรือจะให้คิดจักเป็นคนกำหนดว่าดื่มไม่เกินสองแก้วเหมือนยาชูกำลงังดื่มไม่เกินวันละ1ขวดนะคะ บางคนดื่มเพียงแก้วเดียวก็มีปัญหานะคะบางคนดื่มหกแก้วก็ยังไม่เมาหรือไม่มีปัญหาใดๆสถานการณ์ประมาณนี้นะคะ่ะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้บอกเราว่าเราจะดื่มได้กี่แก้วถ้าพระองค์สื่อสารกับคุณและว่าไม่ควรแตะต้องแม้แต่หยดเดียวการดื่มแค่อึกเดียวก็มากเกินไปแล้วนะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำคริสเตียนแต่ละคนให้ทำ สิ่งที่แตกต่างกันแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันนะคะคริสเตียนส่วนใหญ่รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สั่งให้เราทําอะไรแต่พวกเรามักจะไม่ชอบสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งนะคะจึงยังคงไปขอคําแนะนําจากคนอื่นๆจนกว่าจะได้ยินคําแนะนําที่อยากได้ยินจริงไหมคะเคยมีประสบการณ์นั้นบ้างไหมคะ แต่หากเราคุ้นเคยกับพระองค์นะคะเชื่อฟังและทำตามพระองค์อยู่เสมอทำโดยไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องทำทำไปก่อนทำตามพระองค์ไปเรื่อยๆนะคะเราจะได้ประสบการณ์ว่าพระองค์ได้เตรียมสิ่งดีๆที่เราคาดไม่ถึงเสมอนะคะภายใต้เสียงกระซิบที่เรารู้สึกด้วยปัญญามนุษย์อันจำกัดของเราว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเสียงกระซิบนี้ถ้าเราทาอย่างที่พระองค์บอก ไม่น่าไม่น่าจะเกิดผลดีแต่ถ้าเราติดตามพระ อ, องค์บ่อยๆทำตามพระ อ, องค์บ่อยๆเราจะรู้ว่าสิ่งนั้นมันเหนือความคาดฝันเสมอทางของพระ อ, องค์สูงกว่าเราเยอะทางของพระเราที่ที่เลือกให้เราไม่มีทางไหนเดยที่เราคิดได้ก่อนหรือที่เราคาดได้เลยนะคะหลายครั้งเมื่อเราไม่ทำตามนะคะเราก็จะได้บทเรียนเหมือนกัน เราจะได้รับผลเสียตั้งแต่ผลเสียเล็กๆนะคะจนกระทั่งผลเสียที่เราถึงขั้นไม่สามารถรับมือได้ถึงขั้นที่เราต้องคุกเข่าสารภาพขอโทษขอความช่วยเหลือจากพระองค์คงไม่มีใครอยากให้เกิดอย่างนั้นบ่อยๆเพราะว่าบางทีการตีสอนที่เราเรียกว่าการตีสอนนั้นบางทีก็หนักสาหัสเหมือนกันนะคะเราเราทตามในสิ่งเล็กๆ เริ่มตั้งแต่เล็กๆดีกว่านะคะหรือว่าบางครั้งผลผลเสียหรือผลผลที่เราไม่แท้ทำตามพระองค์เนี่ยมันส่งผลในระยะเวลานานจนเราลืมไปว่าเราเคยปรึกษาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะคือแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อฟังพระองค์นะคะอย่างเช่นจากเรื่องเรื่องจาก น, นัเรื่องเล่าจากหนังสือคริสเตียนเสริมศรัทธาเล่มหนึ่งนะคะเล่าไว้ว่า มีคุณแม่มือใหม่คนหนึ่งนะคะเธอกำลังตัดสินใจว่าจะออกจากงานมาเลี้ยงลูกที่บ้านนะคะคุณแม่ท่านนี้ก็ขอคำแนะนำจากเพื่อนๆ น, นะคะแน่นอนก็จะมีหลายแบบมากให้ออกมาเลยลูกสำคัญหรือไม่ก็ไม่ต้องออกมาหลอกงานหายากจะตายนะคะในที่สุดคุณแม่ท่านนี้ที่เป็นคริสเตียนก็ตัดสินใจอธิษฐานถามพระเจ้านะคะสุดท้ายขณะที่อธิษฐานเนี่ย ก็มีข้อความผ่านเข้ามาในใจของคุณแม่ท่านนี้ว่าจงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าคุณแม่ท่านนี้ก็เลยไปอ่านพระคัมภีร์ก็ไปเจอพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 6: กข้อสบอกว่าฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า คุณแม่อ่านีเจอปุ๊บโอ้นี่มันหมายถึงพ่อไม่ใช่หมายถึงฉันที่เป็นแม่ <c oughs> ใช่ไหมคะว่าแล้วคุณแม่ก็เลยไปจ้างพี่เลี้ยงนะคะจ้างพี่เลี้ยงมาเลี้ยงแทนสิบห้าปีต่อมาลูกสาวของคุณแม่ท่านนี้กลายเป็นคนดื้อรั้นไม่ยอมมาโบสถแม่ท่านนี้รับรองได้เลยว่าลืมไปแล้วว่าเคยอธิษฐานกับพระเจ้าถามพระเจ้าแล้วเจออย่างนี้นะคะ อีกสิบห้าปีต่อมาคุณแม่คนนี้ก็ตาแหน่งใหญ่โตสูงขึ้นนะคะเขาก็ใช้เวลากับครอบครัวเขาน้อยลงเมื่อลูกสาวของคุณแม่คนนี้มีลูกคุณแม่ก็แนะนำให้ลูกสาวลูกสาวบอกเอ้ยออกมาจากงานเนี่ยเลี้ยงลูกมาชื่นชมยินดีกับลูกน้อยช่วงสองสามขวบปีแรกซึ่งหาไม่ได้แล้วลูกสาวก็ตอบกับคุณแม่ว่าทำไมต้องออกในเมื่อแม่ไม่เคยทาเลยนะคะ ทางตรงข้ามนะคะถ้าเราระมัดระวังเราไม่ให้ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในทุกๆฝีก้าวของชีวิตเราเนี่ยเราคอยฟังเสียงพระวิ ญ, ญญาณที่อยู่กับคุณทุกเวลานะคะอยู่กับพี่น้องทุกคนทุกเวลาพี่น้องก็จะดำเนินชีวิตได้สอดคล้องกับพระวิญ ญ, ญาณนะคะเหมือนที่พระธรรมการาเทียบที่ห้าข้อยีบอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญ ญ, ญาณก็จงดาเนินชีวิตตามพระวิญ ญ, ญาณด้วยนะคะ แน่นอนชีวิตของเราก็จะมีผลของพระวิญญาณอย่างเขาเดือนนี้เป็นเดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทิ์นะคะมีคนพูดถึงผลของพระวิญญาณเกือบทุกสัปดาเลยนะคะผลของอวิญญาณที่ต้องมาเป็นพวงใช่ไหมคะฟังเทศนาแล้วคือ9อย่างนะคะความรักความปรับปรึ้นใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักวังคับตนและความบริสุทธิ์นะคะไม่สามารถขาดอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะมาต้องมาเป็นแพ็คเรา ถึงจะเรียกว่าเป็นผลของพระวิญญาณนะคะแต่พี่น้องคะพี่น้องมักจะได้ยินกันบ่อยๆว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นยุค ข, ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องนี้พี่น้องคิดยังไงนะคะดิฉันอยากให้ท่านพิจารณาดูว่าแนวความคิดนี้จริงๆแล้วไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นะคะเพราะถ้าเราดูจากพระคัมภีร์เราก็จะเห็นชัดเจนว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงเริ่มกระทํา พรราชกิจของพระองค์ตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นพระราชกิจของพระองค์ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่และในการสถิตของพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีเดิมมีทั้งแบบชั่วคราวแล้วก็มีทั้งแบบถาวรยกตัวอย่างเช่นดาวิดนะคะเป็นบุคคลในที่พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ได้สถิตอย่างถาวรในพระคัมภีร์เรื่องนี้เราไปเช็คดูได้นะคะใน ในหนึ่งซามูเอลนะคะบทที่ 16: บหข้อสิว่าพระเจ้าทรงสถิตกับดาวิดตลอดเวลานะคะไม่ได้อยู่เป็นพักๆส่วนราชกิจของพระวิญญาณนั้นพระวิญญาณทรงทำพระราชกิจของพระองค์ในสมัยพระคัมภีร์เดิมอย่างไรพระองค์ก็ยังทรงทําพระราชกิจในสมัยปัจจุบันอย่างนั้นด้วยนะคะในสมัยพระคัมภีร์เดิมพระวิญญาณทรงทําการอิทธิฤทธิ์ให้คนได้เห็น และทรงทําสิ่งที่คนมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้เช่นเดียวกับในสมัยพระคมฮีร์ใหม่จุดแตกต่างนะคะจุดแตกต่างระหว่างการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือในสมัยพระคมภีรใหม่หลังจากที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับคริสตชนทุกคนนี่คือจุดแตกต่างนะคะแต่การที่แต่ละคนสัมแดงพระวิญญาณบริสุทธิ์แตกต่างกันนั้น เป็นเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้จัดสรรของประธานต่างๆที่แตกต่างกันให้กับแต่ละคนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับคริสตชนแต่ละคนว่าจะยอมจำนวนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ไขความเข้าใจหรือว่าตระหนักสักเล็กน้อยนะคะมาถึงว่าทําไมเราจึงต้องมีชีวิตที่เลือกฝ่ายระหว่าง ชีวิตฝ่ายเนื้อหนังและชีวิตฝ่ายวิญญาณนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าชีวิตที่พระเจ้าให้เราเลือกคือชีวิตฝ่ายพระวิญญาณชีวิตฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะคะพระวจนะที่มาถึงเราในบ่ายนี้อยู่ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ1นึถึงสินะคะพระธรรมข้อนี้เปิดเผยแกเราใน4ประการนะคะที่บอกเราว่าเพราะอะไรเพราะเหตุใดเราจึงต้องใช้ชีวิตฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ ะะประการแรกก็คือพระคัมภีร์ในบทที่8ข้อหนึ่งนะคะโลงบทที่8ข้อหนึ่งบอกเราเลยว่าเพราะการลงโทษไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นะคะพี่น้องในพระคริสต์ที่รักคะเมื่อเรารู้จักพระเจ้าและตัดสินใจหันหลังให้กับความผิดบาปมาเชื่อวางใจในพระเจ้าหรือทันทีที่เรารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่ามีพระเจ้าสิ่งที่เราได้รับทันทีคือความรอดนะคะ ร อ, รอดคือรอดจากพระอาชญะที่เราทําผิดบาปรอดจากพระอาชญะหรือการลงโทษที่เราละทิ้งองค์พระผู้สร้างนะคะที่สร้างเราและสรรพสิ่งทุกสิ่งในโลกขึ้นมาการได้รับความรอดเมื่อเราเชื่อนั้นก็เหมือนกรณีของโจนที่อยู่บนไม้กางเขนข้างพระเยซูคริสซ์ซึ่งกําลังพระเยซูคริสซ์ซึ่งพระองค์ทรงถูกทรมานและสู้สละพระองค์จนวายพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษบาปผิดของเรานะคะ จนคนนั้นประกาศออกมาจากปากและเชื่อจากใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเขาได้รับความรอดทันทีดังที่พระเยซูตัดกับเขาในพระํารลูกาบทที่23ข้อ43ว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเบืองบรมสุกเกษมนะคะการปลดปล่อยที่เกิดขึ้นทางพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนั้นทำให้การลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราความนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมรมบทที่8ข้อหนึ่งนี้นะคะเหตุฉะ น, น, นั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์นี่เป็นผลจากความเชื่อและการเป็นอันหนึ่งอันเดียวของผู้เชื่อกับพระเยซูคริสต์นะคะพวกเราได้รับการประกาศว่าพ้นผิดและเป็นผู้ชอบธรรมเราได้กลับมาอยู่ใต้ร่มพระคุณของพระองค์นะคะและได้รับชีวินิลัน์ พระเจ้าทรงให้ผู้ช่วยแก่เราทุกคนทันทีที่เป็นผู้เชื่อเพียงแต่เราต้องฝึกไม่ใช่เรารับโดยหลักการอย่างเดียวเราต้องฝึกนะคะในการที่จะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตัดกับเราให้คุ้นชินนะคะในพระธรรมภาคพันธสัญญาเดิมมีบางคนที่ไม่เคยได้ยินเสียงของพระองค์ไม่รู้จักพระองค์เรียก เรียกพระองค์เรียกตั้งหลายครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นพระองค์เพราะว่าเขาไม่เคยได้ยินนะคะเราเองก็เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ใส่ใจแล้วไม่เคยฝึกที่เราจะฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็จะไม่รู้จักเสียงของพระองค์นะคะและเราจะรู้ทันทีว่าพระองค์มีวิธีใดสื่อสารกับเราและแน่นอนนะคะต้องไม่มีสักสิ่งที่ขัดกับพระคัมภีร์นะคะประการที่2จากพระธรรม โรมบทที่8นี้นะคะข้อ111นีก็คือมนุษย์จะประสบกับอิสรภาพในชีวิตประจำวันได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าปลดปล่อยมนุษย์ออกจากความบาปสําเร็จนะคะโดยพระองค์ทรงให้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปคือพระเยซูไม่ได้มีเนื้อหนังที่บาปนะคะพระองค์บริสุทธิ์แต่มีเหมือนเนื้อหนังที่บาป ความเป็นมนุษย์ของพระองค์ไม่มีความบาปเหมือนกับมนุษย์ทุกคนที่เป็นลูกหลานของอาดัมนะคะพระองค์ถูกส่งมาเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปและเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้คือชีวิตที่บริสุทธิ์จะได้สำเร็จในตัวเราและชีวิตนั้นคือชีวิตที่ไม่ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นเนื้อหนังแต่สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญ ญ, ญาณจากพระธรรมโรมบทที่8ข้อหนึ่งถึงสกําลังบอกเราว่า พระเจ้ากดปล่อยมนุษย์ให้พ้นจากอานาจบาปโดยการสิ้นประชนของพระเยซูคริสต์แต่มนุษย์จะประสบกับอิสระภาพในชีวิตประจําวันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราเป็นผู้มีอิสรภาพต่ออํานาจบาปโดยการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดเราเป็นผู้ที่มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ที่จะต้องทําตามและเลือกข้างในการดําเนินชีวิตคือเลือกใช้ชีวิตในฝ่ายพระวิ ญ, ญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังนะคะ ประการที่3ก็คือการดําเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังและการดําเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณเป็นศัตรูกันนะคะชีวิตของเราแม้จะเป็นผู้เชื่อแล้วก็ยังมี2ด้านที่เป็นศัตรูกันและต่อสู้กันนั่นคือการดําเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังและการดําเนินชีวิตตามฝ่ายพระวิญญาณถ้าเราประพฤติตนในฝ่ายพระวิญญาณนั่นหมายถึงว่าเราก็ออกห่างจากฝ่ายเนื้อหนัง2ฝ่ายต่อสู้กันถ้าเราเข้าข้าง ถ้าเราไปอยู่ฝ่ายไหนแสดงว่าเราเออกห่างจากอีกฝ่ายฝ่ายตรงข้ามถ้าเราเลือกทอี่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนั่นคือเราเราห่างจากฝ่ายพระวิ ญ, ญญาณเพรฉะนั้นเราต้องเลือกนะคะถ้าถ้าเราเแต่พระธรรมข้อนี้บอกเลยนะคะว่าสองสิ่งนี้เป็นศัตรูกันนะคะเราไม่เลือกไม่ได้นะคะและสิ่งที่เราต้องเลือกคือเลือกในฝ่ายพระวิญญาณนะคะ เพราะว่าจะนั้นในข้อ8บทที่8ข้อ5ถึง8นะคะท่านเปาโลอธิบายว่าอธิบายอยู่สองประเด็นนะคะก็คือการปักใจอยู่กับเนื้อหนังเปาโลบอกว่าการปักใจอยู่กับเนื้อหนังคือการตั้งใจอยู่กับความปรารถนาตามธรรมชาติซึ่งเป็นศัตรูต่อพระเจ้าจึงไม่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าและจะนําไปสู่ความตายชัดเจนนะคะส่วน แต่ผู้ที่ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณมีชีวิตตรงข้ามคือพวกเขาปรารถนาหรือปักใจอยู่กับพระวิญญาณซึ่งจะนําไปสู่การมีชีวิตหรือชีวิตนิรันดรและสันติสุขนะคะก็ทำข้อนี้บอกชัดเจนนะคะถึงความแตกต่างระหว่างสองทางที่ให้เลือกนะคะดังนั้นคนที่ยังไม่ได้รับความรอดเขาก็จะดําเนินชีวิตอย่างไม่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณเขาไม่รู้จักชีวิตฝ่ายวิญญาณนะคะ แต่ผู้เชื่อที่ยอมให้ธรรมชาติบาปหรือเนื้อหนังเป็นนายอีกก็ทำตัวเหมือนคนที่ยังไม่ได้รับความรอดนะคะเราคงรู้ว่าเราควรจะเลือกทางใดเพราะความรอดที่เราได้มานั้นเป็นความรอดที่เราไม่ได้สมควรจะได้รับเลยด้วยซ้ำนะคะข้อประการที่สก็คือพระวินัยของพระเจ้าสถิตในชีวิตผู้เชื่อนะคะทโรมบทที่8ข้อเกถึงนะคะซึ่งเป็น3ข้อสุดท้าย พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตยอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อนะคะผู้เชื่อไม่ได้อยู่ในเนื้อหนังแต่อยู่ในพระวิญญาณพระวิญญาณที่สถิตยอยู่ในผู้เชื่อทำให้ผู้เชื่อมีชีวิตที่ไม่เหมือนเก่ามนุษย์จะไม่มีความสามารถไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูได้ถ้าไม่มีพระวิญญาณนะคะเราจึงต้องมีชีวิตอยู่ฝ่ายพระวิญญาณ เมื่อเราเรียนรู้จากพระวจนะแล้วเราจะต้องมั่นคงต่อการเลือกใช้ชีวิตฝ่ายพระวิญญาณแต่ก็อยากมีของแถมนะคะให้ได้ไปสังเกตว่าเรามีลักษณะของผู้ที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณแล้วหรือยังนะคะลักษณะของผู้ที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณมี4ประการนะคะก็ประการแรกคือมีการบังเกิดใหม่ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ผู้ปกครองอด็อร์ก่อศักด์ได้พูดสรุปไปแล้วเมื่อเช้าอาจารย์ศึกษาก็ได้ ลักษเรื่องนี้ไปแล้วนะคะลักษณะของผู้ที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณประการแรกก็คือมีการบังเกิดใหม่นะคะในฐานะคริสเตียนพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ําและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นะคะซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ลมไคร้จะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิ ญ, ญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนประการที่สองของผู้ที่มีลักษณะของผู้มีชีวิตฝ่ายวิญ ญ, ญาณก็คือมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์นะคะ ในพระธรรมหนึ 13, ่งโครินต์บทที่ส2บสข้อสิบสาบอกเราไว้ว่าเพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือพวกกรีกเป็นธาตุหรือมิชิธาตุก็ตามเราทั้งหลายได้รับบัพติสมาโดยพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทราบสั้นอยู่นะคะหนึ่งโครินต์บทที่5้าข้อสิแปนะคะและอย่าเมาเล่าอางุ่นซึ่งจะทําให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณนะคะ เมื่อคุณเกิดใหม่คุณจะเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าคุณสามารถมีชีวิตอยู่เหมือนพระเยซูทําสิ่งที่เขาทําโดยมีข้อยกเว้นเพียงสองข้อนะคะประการแรกคือเราต้องใช้ชีวิตแห่งการกลับใจจากบาปส่วนตัวพระเยซูไม่มีบาปและไม่ต้องทําเช่นนี้นะคะประการที่สองคือเราจะไม่สามารถอยู่อย่างสมบูรณ์เหมือนพระเยซูได้เพราะความบาปนาที่บาปอย่างต่อเนื่องของเรานะคะ เรามีธรรมชาติบาปอยู่นะคะมีเรื่องเล่าเล็กๆว่ามีเจ้าหญิงองค์นึ่งเขาเลี้ยงหมูเล็กๆไว้ตัวหนึ่งนะคะแล้วนึกผ้าหมูน่ารักนะคะอย่านึกผ้าหมูดําๆนะคะหมูเธอก็อาบน้ําให้มันแล้วก็ผมน้ําหอมแล้วก็ผูกริบบิ้นนะคะอย่างสวยงามนะคะแต่ในขณะที่จุงพาหมูออกไปเดินเล่นในสวนนะคะเพราะมันเหลือบเห็นแหล่งนาแ่งน้ําก็รีบกระโดดลงไปเกลือกกลิ้งขี้โคลนนะคะ เจ้าหญิงร้องไห้ด้วยความเสียใจจนเทวดารู้สึกสงสารก็นำเอาหัวใจกว้างมาเปลี่ยนใส่ในหัวใจหมูนะคะนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาหมูก็ไม่เคยลงไปเกลือกลิ้งกับโคนอีกเลยะคะ่ะเราเป็นคริสเตียนนะคะพระเจ้าได้ใส่พระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้เราเปลี่ยนเราใหม่แล้วเราจะต้องไม่ไปเกลือกกลิ้งในสิ่งที่เหมือนหมูนะคะที่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนใจนะคะ การเป็นคริสเตียนก็เหมือนรถป้ายแดงเท่านั้นนะคะมีชีวิตใหม่ทั้งหมดไม่มีคริสเตียนประเภทกลางเก่ากลางใหม่หรือคริสเตียนเซคันด์แฮนด์นะคะมีแต่คริสเตียนป้ายแดงนะคะชีวิตของเราถูกเปลี่ยนนะคะประการที่สนะคะของลักษณะของผู้มีชีวิตฝ่ายวิญญาณนะคะก็คือเขาจะเป็นคนที่ผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากได้อย่างดีนะคะ การใช้ชีวิตที่มีพลังอํานาจของพระวิญญาณรวมถึงความยากลําบากของความเจ็บปวดความอ่อนแอและความสูญเสียที่พระเยซูได้กระทาไว้นะคะถ้าเราทนทุกทรมานในขณะที่พระวิญญาณทรงอํานาจเราก็จะเหมือนพระเยซูนะคะก็คือเราจะเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์โดยผ่านความยากลําบากเหล่านี้นะคะไม่มีความยากลาบากใดที่ผ่านไปไม่ได้ที่เพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรานะคะประการที่สี่ก็คือ เขาจะเป็นคนที่ปฏิเสธตนเองและติดตามพระเยซูคริสต์นะคะการใช้ชีวิตที่มีพลังอํานาจของพระวิญญาณรวมถึงความยากลําบากของความเจ็บปวดความอ่อนแอและความสูญเสียที่พระเยซูได้กระทาไว้ถ้าเราทนทุกข์ทรมานในขณะที่พระวิญญาณทรงอํานาจเราก็จะเหมือนพระเยซูเติบโตอย่างสมบูรณ์โดยผ่านความยากลําบากเหล่านี้นะคะขอพวกเราที่จะทูลขอพระองค์ที่จะให้เราได้ดําเนินชีวิตในฝ่ายพระวิญญาณให้ได้มากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนะคะ เชื่อฟังและทำตามมากขึ้นชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางหรือ God Center นะคะไม่ใช่ Human Center ไม่ใช่ตัวเองเป็น c นะคะใครที่ยังไม่เคยให้พระเจ้าเข้ามาตัดสินใจก่อนก็ขอให้ลองดูนะคะแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตที่มี God Center นั้นดีแค่ไหนนะคะดีจนเรากลัวที่จะหลุดออกจากทางของพระองค์นะคะเราขอหนุนใจนะคะอีกประการหนึ่งก็คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเรานะคะ พ, พระองค์ทรงนําเราห่างจากความชั่วร้ายนะคะในกาลาเทียบทที่ 5, 5, 5้าบทที่ข้อสิบเก้าถึง21บอกไว้นะคะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ต่อสู้กับเนื้อหนังของเรานะคะการปั้มสู้ของเราจะเป็นระหว่างการทําสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กระซิบบอกเราและเนื้อหนังบอกเราว่าต้องทําไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างตัวเรากับเนื้อหนังของเราโดยเด็ดขาดนะคะ ยกตัวอย่างนะคะเช่นวิธีได้ชัยชนะไม่ใช่พูดว่าฉันต้องเข้มแข็งนะคะแต่เราต้องเปลี่ยนเป็นพูดว่าฉันรู้ว่าฉันกําลังอ่อนกําลังเราต้องไม่สนใจเนื้อหนังที่ตะโกนใส่เราว่าเราต้องทำนะคะนั่นคือการแข่งกันระหว่างเนื้อหนังกับสิ่งที่ตัวเรานะคะฉันรู้ว่าฉันอ่อนกําลังนะคะแล้ว ก็สงบนิ่งนะคะฟังพระสุรเสียงแผ่วเบานะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงกระซิบบอกเราว่าฟังพระองค์นะคะพระองค์จะบอก ว, ว่าเราต้องเป็นเหมือนใครไม่พระองค์ไม่จะไม่บอกว่าเราต้องสู้เพื่ออะไรแต่เราต้องเป็นเหมือนใครพระองค์เป็นยังไงเราควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะทำติดตามและใช้ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อย่างงดงามนะคะแล้วก็เป็น สาวกที่น่าชื่นใจของพระองค์นะคะเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลนะคะมีความรู้สึกพระองทรงเสียใจได้พระองทรงดีใจได้นะคะก่อพระเจ้าอวยพระพระคะ่ะ